ท่นผู้ทีค่ครพคะรายการนี้รายการสัสนสีสนทนานะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่วันแรกของสัปดาห์นี้เราจะยังพบกันไปติดต่อกันอีกจนครบ5วันแล้วก็ถึงข้อยอยู่ถึงสองวันนะคะเริ่มต้นท่านก็ได้พบกับพระมาชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลู ก, กาคลองสิธ์ท่านนำเราปฏิบัติธรรมท่านอ่านพุทธว จ, จะนะให้เราฟังการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะปฏิบัติเป็นประจา เกิดผลประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวไปกล่าวเตียนถามพระพุทุอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรนธานีซึ่งท่านจะนําพุทธวจนะของพระาศาสดามาตอบคําถามของเรากลาวนวัชการคับท่านคะช่วยพรค่ะที่คุณยมติ๋วบอกว่าการปฏริบัติธรรมเป็นประจําจะมีประโยชน์อย่างไรใช่หมค่ะในเรื่องนี้พระเช้าเคยตรัสว่าอ่ามักเนี่ยเป็นของที่ควรทําให้อ่าเจริญของที่ควรทําให้เจริญหมายความว่า คือต้องทํำบ่อยๆทําซ้ําๆทํายํ ำ, ำๆำาการปฏิบัติตามมรรคก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเราไปนั่งสมาธิบ้างฟังพุทธวจนะบ้างอย่างเงี้ยเป็นเป็นมรรคทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเรามาทาําบ่อยๆเนี่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อเราชํนานาญแล้วเนี่ยจะทำให้เราเดินเข้าไปใกล้สู่มรรคผลนิพพานได้มากยิ่งขึ้นอคือใกล้นิพพานเข้าไปยิ่งขึ้นเหมือนกันเถอะคือบางคนจะคิดว่าเออปฏิบัติธรรมแล้วก็พอแล้วอย่างเงี้ย จริงๆเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าการทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราเดินเข้าใกล้สู่นิพพานได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างนี้มั้ยค่ะอันนี้ก็ให้รู้เท่านั้นเองนะคะว่าทํามากๆจะใกล้นิพพานมากยิ่งขึ้นพูดถึงที่ดิฉันพูดหรือว่าให้รู้เท่านั้นเองเนี่ยเพราะดิฉันกลัวนะคะว่าบางคนเขาจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปโดยเรามีความต้องการมาก จนกลายเป็นกิเลสเนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะตั้งเป้าได้หรือเปล่าค ะ, ะคือการเดินตามมรรคนี่มีคนเขาเคยมาคุยกันมาเขาบอเอ้แล้วแล้วถ้าเราไม่มีความ อ, อยากในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันจะไปได้ยังไงแล้วบอกว่าความอยากนี้เป็นเห่ของความทุกข์แล้วคุณจะมาปฏิบัติตามมรรคุณไม่มีความอยากมันจะไปได้ยังไงทำให้มีคนบางคนคิดว่า เอออริยสัจสนี่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเดินไปเพื่อลัความอยากเอาเระหว่างที่คุณเดินนี่คุณก็ต้องมีความอยากแล้วไม่งั้คุณจะมาปฏิบัติตามทางได้ยังไงเอาไว้อย่างนั้นนะนะซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาทําความเข้าใจว่าไอ้ความอยากนะคือตัณหาเนี่ยกับความพอใจในการที่จะบิดรทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือมันบางบางมันมันแนบเนียนติด ก, กันเกือบจะแยกกันไม่ออก นะก็จะแยกตรงนี้ออกได้ต้องมีมีดนี้ต้องคมมากเหมืนอนเราปาดออกเนี่ยนะซึ่งมีดตรงนี้ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นในการที่เราทําความเข้าใจว่าโอ้เราจะมีความพอใจในการมาปฏิบัติธรรมนะเอาแล้วการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มีความอยากบางอันเถอนะค่ะความอยากในที่นี้เนี่ยก็คือความอยากในการที่จะอยากในทางการอยากในทางความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนะความอยากที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับความเพลินนะนะเราต้องตัดตรงนี้ออกไป นะส่วนความพอใจในการขวนขวายน้อยความพอใจในการหลียออกจากมูความพอใจในการฟังธรรมะแบบพวกนี้เราทำให้เกิดมีได้เพราะว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เราฟังธรรมะเรามานั่งสมาธิเนี่ยคุณยวติ๋วมันจะทำให้ <c oughs> ความอยากในการของเราเนี่ยลดลงค่ ะ, ะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ เ, ยเราจะสามารถแยกประเด็นตรงนี้ออก อย่งพระอรหัรเนี่ยตื่นเช้ามาหิวข้าวไหมหิวข้าวเหมือนกันนะแล้วหิวข้าวเนี่ยเป็นความอยากไหมนี่ไงคือความหิวกวับความอยากนี่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องแยกกันเหมือนกันนะคือกินเพราะระงับเวทนากับกินเพราะว่าความอยากนี่ก็เป็นคนละอย่าง ก, กันละ่ะแต่ก็ต้องกินเหมือนกันค่ะก็เท่ากับว่าถ้ามีความตั้งปรารถนาเพราะตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีทุกข์น้อยลงน้อยลง อ, อันนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกขพ์พุทธิจาย์ว่างนี้น ะ, ะแต่ว่าที่เราที่เราทําเนี่ยก็เรียกว่าสร้างเหตุไงค่ะคือคือประทนาเนี่ยนะบางทีเราปรารถนาผลหรือบางทีเราขอเนี่ยขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอสิ่งนั้นเกิดขึ้นความขอก็ตามความปรารถนาก็ตามพวกนี้เป็นการขอการปรารถนาผลทั้งสิ้นแ ต, แต่พุทธเจ้าให้ทำลายพุทธเจ้าให้อธิษฐาน อธิษฐานนี่คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึง่งนะอันนี้คืออธิษฐานสร้างเหตุน ะ, ะเพราะฉะนั้น อ, อธิษฐานจะไม่เหมือนกับการขอหรือการปรารถนาซึ่งการขอหรือการปรารถนาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของตัณหา <mumbles. S 1> แต่อธิษฐานนี่คือเราอธิษฐานสร้างเหตุนะที่ <c oughs> เราต้องออกไปคือขอกับปรารถนาเนี่ยเป็นการขอผลซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องก็ <c oughs> อธิษฐานสร้างเหตุกันไปจึงจะถูกต้องมากกว่าถูกต้องถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่สร้างเหตุบางคนเนี่ยดิฉันก็ ได้คุยกันเหตุผลก็น่าสนใจดีนะคะเขาก็จะบอกว่าของผมเหรอขอแค่นี้ก่อนอยากมีฤทธ์ก่อนอขอให้การปฏิบัติเนี่ยตั้งเป้าเลยขอมีฤทธ์ก่อนอเร่งปฏิบัตินะคะแล้วถึงค่อยว่ากันในเรื่องที่จะปฏิบัติจะปฏิบัติแบบปล่อยวาง เ, าเรื่องความมีฤทธิ์นี่มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคือมันยังไงมันก็มี มีเนี่ยคือหมายความว่าริษทางใจก็ตามหรือว่าริษที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาก็ตามเพราะว่าสาเหตุปัจจัยที่ว่าเออถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยจิตมันสงบแล้วเราสามารถน้อมจิตไปเพื่อการรู้การเห็นอย่างเงี้ยได้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็จะยังมีความทุกข์เหลืออยู่ค่ะทีนี้คนที่ปรารถนาฤทธ์เนี่ยพอเขาได้ไปแล้วเขาก็จะพบว่าเออมันมีความเสื่อมอยู่นะจะมีความ เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งนั้นอยู่ก็จะพบกับความทุกนี้อยู่ค่ะนั้นคำริงตั้งต้นถามเพียงแค่ว่าการปฏิบตัติบ่อยๆจะเกิดผลอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วแต่ยังก็ขยายคาตอบไปซะด้วยคำถามอื่นให้ยืดยาวไปพักไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ท่านวุ่นได้กล่าวในสิ่งที่เตรียมมาเพื่อที่จะถวายเป็นผู้ทูชาพระพุทธองค์ ในช่วงของปีพุทธชยันตีก่อนก็นแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปสู่คําถามอื่นต่อไปค่ะออวันนี้ก็จะพูดถึงตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมจั ก, กปรปวัตนสูตรนั่นะคือไปหาปัญจวัคคีย์5รูปแล้วก็ได้บ่งบอกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรูนะออ้มีส่วนที่พระเจ้าได้เนื้อหาหลักๆที่สําคัญในธรรมจักปรปวัตนสูตรเนี่ยคือการหมุนธรรมจักรครั้งแรกเนี่ยออที่สําคัญสาคัญก็คือพูดถึงอริสสัตตสี ก่อนที่จะพูดถึงเรียสสีเนี่ยได้พูดถึงทางสุดโต่งสองข้างก่อนนะคือการที่ตัวทําตัวให้ชุ่มอยู่ด้วยกามกับการประพฤติที่ทําตัวให้ลําบากนะส อ, อันนี้ไม่เอานะแล้วก็ได้พูดถึงทางสายกลางคืออรียสสีนะตรงส่วนเรียสสีก็ตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอันแรกเนี่ยคือความความทุกข์เนี่ยเป็นของที่ควรกําหนดรูนะ้แล้วก็ เราได้กําหนดรู้แล้วนะอันที่2ก็คือความสิ่งที่เป็นตันหานะตันหานั้นมีอยู่นะตันหานั้นเป็นสิ่งที่ควรละแล้วก็ทําเราได้ละแล้วอันะที่3ก็คื อ, อนิพพานคือความดับไปแห่งทุกเนี่ยคือความหมดไปแห่งตันหานี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งนะแล้วก็เราเได้ทําให้แจ้งแล้วส่วนอันที่สี่ถ้าเราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คุณโยมติวที่พระเจ้าบอกว่ า, ามรรคเนี่ยเป็นของที่ควรทําให้เจริญ แล้วก็เราได้ทําให้เจริญแล้วเพราะฉะนั้นที่ที่เราคุยกันมาบอกว่าเออมักนี่มักนี่ทําทำยังไงต้องทําบ่อยๆคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีมกักในะอย่างที่เราคุยว่ามีการปฏิบัติทําอย่างนี้นะัในอันดับที่สองเราต้องรู้นะว่ามักเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญคือทําบ่อยๆทำซ้ำๆทำนะํายํำๆนะและอันดับที่สามคือเรารู้ว่าโอ้เราได้ทําให้เจริญแล้วอืมอย่างนี้นะถ้าเรารู้อะไรในลักษณะนี้ คือบางคนก็รู้มาร์กอ๋อต้องทำสมาธิภาวนาโอเครู้ละแล้วไงต่อไหนคือรู้ครั้งที่1นึ่งตอนนั้นเองนะคือคุณต้องรู้ต่อไปว่าอ๋อมาร์กนี่เราต้องควรทําให้บ่อยๆนี่คือควรทําให้เจริญนี่คือรู้ครั้งที่สองและรู้ครั้งที่3ามก็คือว่าเราได้ทําให้เจริญจนถึงที่สุดแล้วอันนี้คือรู้ครั้งที่สมและตรงนี้ที่พูดเนี่ยก็พูดที่จะสอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดถึงมาว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมนี้ต้องทําบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้าๆอันนี้ผู้ชอบ พ, พูดครั้งรกยคุณมติ ตั้งแต่ที่เป็นธรมรมจักรปวัฒนาสูตรเลยนะว่าเฮ้ยการปฏิปธรรมนี้ต้องทำบ่อยๆนะ ห, หยุดไม่ได้ต้องทำเรื่อยๆนะเดินอยู่บนตามทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกได้เหนะนะคะต้องทำบ่อยๆต้องทาบ่อยๆถ้าฟังรายการนี้ทุกวันแล้วก็ทำตามที่ท่านมาร์คได้นำในช่วงต้นทำแค่วันละห้านาทีเป็นประจำนี่นับว่าทำบ่อยได้ไหม่านคะ เอาแค่วันละหนาะทีเป็นประจำเอาแค่วันละทำเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยวันละ2อสานาทีก็พอคือก็พอนี่คือหมายความว่ า, าคือทำได้บ่อยมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคือต้องบอกอยี้คุณโยมติว่าธรรมะเนี่ยเป็นวิธีการดําเนินชีวิตนะคือหมายความว่าบางคนก็คิดว่าเออสมาทานศีและชั้นตอนเช้าฉันนั่งสมาธิแล้เด็กกลางวันฉันไปทําอะไรก็ได้ลนะกินเหล้าเมาเบียรพูดโกหกอะไรต่างๆซึ่งันนี้ไม่ถูกละ ค, คือเราจะต้องให้ทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นการดําเนินชีวิตธรรมดาคือบางคนเนี่ยมาปฏิบัติอย่างเดียวคร่าเคร่งเลยกลับไปถึงบ้านไอ้ทําไมตัวแข็งแขงหรือว่าเดินแปลกๆทําหน้าแบบไม่บอกวุไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะต้องออทําให้มั น, ม, นมันเสมอกันตลอดเลยแล้วตื่นเช้าจนกระทั่งนอนทุกวันทุกเวลาทําให้มัน เ, เป็นเหมือนกับเนื้อเดียวกันเวลาที่เราอยู่ปกติด้วยค่ ะ, ะ, ะสมมติถ้าเปรียเทียบกับคนดื่มสุราเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะยกตัวอย่างได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะเป็นความถูกต้องชัดเจนตามที่ท่านอธิบายหรือเปล่าในเดี๋ยวให้ท่านตอบอีกทีหนึ่งคืออย่างกับคนที่ชอบดื่มส่วนใหญ่สําหรับชาวพุทธก็มักจะมีช่วงพักการดื่มเนี่ยช่วงเกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากทําบุญด้วยช่วงเข้าวันสาอะไรเงี้ยนะคะคแล้วมันมีระยะเวลาจํากัดที่แน่นอนอ่าไม่นานนักสามเดือนอืถ้าพูดถึงว่ามีความตั้งใจ แบบนี้เนี่ยแต่ความตั้งใจเขาก็ดีนะคะก็ดีกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตลอดเวลาเนี่ยอืมจะจะถือว่าเป็นการทําแบบไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงไหมคะก็คือความสามารถของคนที่จะปฏิบัติตามมักเนี่ยนะคุณโยมติวก็ได้ไม่เท่ากันนะะคือทําได้เท่าไหร่เนี่ยก็ก็ดีเท่านั้นของบุคคล น, นั้นคืออย่างสมมติเขาทำสามเดือนได้สมเดือนเนี่ยถ้าเราไปติดเตียนว่าโอ้ยสามเดือนคุณทาน้อยไปแหมเราเราพูดไม่ได้หรอก เว่าอย่งน้อยเขายังทำดีสามเดือนคุณทําดีได้สามเดือนดีมากแล้วเราจะต้องพูดอย่างนี้นั้นแล้วเจ็ดเดือนที่เหลือเนี่ย อ, อ, อีกสิบสองสิบกว่าเดือนที่เหลือเนี่ยเก้าเดือนที่เหลือเนี่ยคุณก็ยิ่งทําให้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดีสําหรับตัวคุณเองเราก็ต้องพูดอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าดีกว่าไม่ได้ทําใช <c oughs> ถ่ถ้าถ้าท่านพูดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ให้กําลังใจคนที่ยังคิดว่าละวางเรื่องบางอย่างไม่ได้ตามทํา เอาแค่สีะะ่ให้าเนี่ยค่ะจะมีคนพูดมากเลยว่าข้อนั้นยังทําไม่ได้ข้อนี้ยังทําไม่ได้ก็เลยไม่ทำเลยทั้งห้าข้อใช่อันนี้เป็นเป็นความพลาดของเขาแล้วถ้ากากิดอย่างนี้คหรืออย่างบางคนนั่งสมาธิคุณโยมติ๋วนั่งสมาธิอเอาแค่ไม่ต้องอ่านเอาสิบนาทีคุณนั่งสมาธิเสิบนาทีโอ้ยจิตฉันไม่สงบเลยเก้านาทีจิตสงบนาทีเดียวในจิตสงบนาทีเดียวที่เหลืออีกเก้านาทีไม่สงบแล้วก็มาคิดว่าโอ๊ยฉันไม่นั่งหรอกสมาธินั่งได้สงบแค่นาทีเดียวเอง คุณคิดไม่ถูกคุณคุณไม่ควรทาอย่างนั้นเพราะถ้าคุณไม่นั่งเลยนะัน้นนาทีเดียวคุณก็ไม่ได้อย่างน้อยคุณยังนั่งสิบนาทีเก้านาทีคุณไม่ได้ก็จริงแต่นาทีเดียวคุณก็ยังได้ก็ยังดีก็ทําไปอย่างนี้นะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่นั่งแล้วสมาธิได้ประเดี๋ยวเดียวทั้งๆั้ที่นั่งมานานแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะว่าเป็นคนที่มีลักษณะมีความอยากที่จะได้สมาธิยิ่งยวด มากขึ้นก็เลยยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่มันเลยสมาธิตั้งอยู่ได้ไม่นานอันนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยคุณยมติ๋วอย่างคนที่ทำสมาธิไม่ได้เนี่ยสิคุณเป็นยังไงสิ่งคุณรักษาดีไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งสองคุณมีอาหารมากหรือเปล่าวันนั้นกินจนกระทั่งอิ่มท้องไหมหรือว่าอย่างที่สามคุณทำ <c oughs> ทาผิดมาหรือมีนิวรณ์อย่างเช่นความอยากนี่ก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่ง เราเปน็นอย่างเช่นเราอยากให้ได้มากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งค่ะก็กาลังจะให้ท่านบอกในสิ่งที่ควรทำเพื่อที่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราควรจะลดอะไรที่เราเป็นอยู่หรือไม่นะคบเพื่อให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าท้ารับประทานมากนี่ก็ต้องลดใช่ไหมคะอันนี้เหตุปัจจัย <c oughs> พริชาได้บอกไว้อยู่ห้าหกอย่างนะอย่างแรกก็คือการที่ เรามีบริการน้อยนะมีกิจน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นนะ <Okay. S 1> อย่างที่2เราเป็นผู้มีท้องอันปร้องอยู่เสมอนะคือกินกิน ก, ก็กินได้อยู่แต่ไม่อิ่มจนกระทั่งท้องอิ่มแพร่อย่างนี้นะกินก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องด้วยใ <Okay. S 1> นะอย่างที่3นี่เป็นผู้ที่อยู่ป่ามีแสนาสนาอันสงัดในะอย่างที่4นี่ก็เป็นผู้ที่ฟังธรรมนะคือทำที่งดงาม ไปเราะในเบื้องต้นในทํากลางที่สุดก็คือลัอกษณะของผู้ดรวัจนะและอย่างที่5นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลําบากซึ่งการทำรรมัชของประชาชนนะเช่นเรื่องให้ขวนขวายน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้ความสังเกตรเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เราทำบ่อยบ่อยน่ะก็จะดีแล้วก็อย่างที่6กก็เป็นผู้ที่รู้จักสังเกต จ, จิตตัวเองนะว่าจิตของเราหลุดพ้นเป็นขั้นๆ้นไปแล้วอย่างไรแต่ี่อย่าง6อย่างเนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ เราเนี่ยสามารถสังเกตเห็นลมไปใช้ได้สามารถที่จะปฏิบัติได้ก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะนั้นถหวังความก้าวหน้าเราอย่าแค่จะมาคุ้นขอให้ลูกก้าวหน้าเร็วๆอืเพราะว่าันนั้นไม่ใช่ตอ้ติฐานว่าลูกจะพยายามสร้างเหตุใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เทคนิคว่าให้มีกิจน้อยบริหารน้อยมีท้องคล่องอยู่เสมออยู่ในที่สงัดสงบหน่อยนะคะฟังธรรมอันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือพุทธวจนะเป็นต้นใช่ไนะคะได้ ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งอะไรนะคะซึ่งกระถานะี่ยกระถานี่คือหมายถึงว่าธรรมะที่เป็นเครื่องขุดเก่าวกิเลสเป็นไปเพื่อความเปิดโลกแห่งจิตเช่นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องความขนความน้อยอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ค่ะและรู้จักสังเกตจิตตนเองว่าพัฒนาก้าวหน้าอย่างไรใช่ค่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้ทวจนะนะคะที่ท่านพรบูรนำออกมาตอบ <c oughs> เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้น ฟังทำแล้วปฏิบัติทำแล้วได้ผลแห่งการปฏิบัติยิ่งขึ้นก็กราบธรรมสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะอจรย์บอลการท่านฟังที่กรบคะท่านไปบูุญที่วัดป่าดอนหายโุดรนธานีซึ่งมีหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาสเนะคะท่านเป็นท่านจเจ้าอาวาสและที่นี่ก็จะมีการจัดคอร์สหลีกเล้นกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะใครสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์หลวงพ่อดออรดอดคอม และถ้าสนใจจะส่งคำถามตรงไปที่ท่านเผยบู์หรือว่าเปิดดูธรรมะที่ท่านเผยแผ่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายรูปแบบได้และก็มากกว่าหนึ่งภาษานะคะก็เปิดไปที่ p e ี w ว h a ร m a .com/106 ที่นี่ก็ส่งคำถามเอาไว้อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะในราการนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบเพื่อที่หากท่านจะศึกษา พุทธวจะนะคำของพระศ า, าสดาของเราที่ตรัสไว้อย่างละเอียดประนีดนะคะอย่างลึกซึ้งก็ขอมาที่02269 0006เป็นเบอร์ที่ท่านส่งคำถามเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะประจันคริกริโสโธติพโลท่านมอบให้มาค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้เพื่อที่จะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ